ในเวลาที่มันมีงานรวมหลงถือว่าเป็นงานปล่อยที่งไว้ไม่ได้รวมทุกข์ก็เป็นงานปล่อยที่งไว้ไม่ได้จึงต้องปฏิบัติหัดทำเมื่อมันหลงปล่อยที่งไว้ความหลงก็จนตายามีอยู่ในเราทุกายรวมทุกข์ ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ก็จะจดมีความทุกข์อยู่ยรับเราจนตายความโกรธความโลภอะไรต่างๆปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ถ้าเราไม่ปล่อยทิ้งเราทำลงไปจาหัดึืงหัดาทำให้เป็นแล้วมันหลงทำให้หลงไม่เป็นหลงทำเป็นมันก็จะจบได้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 ข้าปลอาหารก็ต้องหามีปลาคีบมีปิชาหามามีความขยันหมั่นเพียรอาบเหงงาาื่อาน้ําเตัวผ้าอ่อนที่หัใสก็ต้องมีต้องหาต้องซ้อมแจมต้องรักษาแต่ว่าทรัพย์ภายในไม่ต้องไหนหาหาแล้วมันแล้วนั้นจบไปแล้ว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 จุดหมายที่หมายปลายทางของชีวิตเรามันมีเหมือนกันชีวิตต้องมีที่หมายถ้าถึงที่หมายแล้วความเจ็บเจ็บตายไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าสำหรับเราความสุขความทุกข์ไม่มีค่าสำหรับเราภาษาอะไรทำไมจะต้องไปให้มีปัญหาพวกเรื่องนี้มันไม่มีค่าอะไร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 แม้ร่างกายจะต้องกินต้องหลับต้องนอนต้องโดูดต้องจ้าต้องยืนเดินหน้านอนก็ไม่มีกรรมเป็นจริยาไม่ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษนี่มันจึงไปอย่างนี้จึงปฏิบัติธรรมกันทานตรงไหนถึงที่หมายถึงอย่างไรเมื่อมีความตาย ก็ไม่มีความตายเมื่อมีความเจ็บก็ไม่มีความเจ็บเมื่อมีความแจกก็ไม่มีความแจ็เมืม jal, ม่อ ม, ม, มีสุขมันก็ไม่เป็นสุขเมื่อมีทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์มีความโกรธความโลภความหลงก็ไม่มีมันผ่านไปความผิดความถูกก็ไม่มีผ่านไปผ่านไปแล้วมื่อกลับม า, ก ล, บมากลับมาก็เห็นมันกลับเรียกว่าปาฏิลมอนุโลม เบืองต้นมันที่ตรงไหนข้ามกลางที่ตรงไหนที่สุดคือตรงไหนทำนานเพราะเราได้เดินมาตรงนี้เริ่มต้มก็คือหลงคือรู้เรียกว่าอาวิชชาหรือวิชาครวมหลงเป็นอวิชชาความรู้เป็นวิชามก็ไม่ยากมีอยู่กับเราเราใช้เราหัดให้เป็นหัดตรงไหนละ่ะ มีสติเป็นในกายมันจะหลงอยู่ที่กายเรื่องอะไรบ้างจิงที่เกิดขึ้นกับกายมันเรื่องอะไรบ้างหัดดูมันเอามาตั้งดูซิมันจะมีอะไรมีสติเป็นคนที่ดูแลมันดูสิกายมันจะเป็นอะไรเราจะหลงไหมอะไรที่มันเกิดกับกายมีอะไรบ้างให้มันแสดงออกมาเราจะดูมันเราได้เห็น แล้วพรธเจ้าจึงสอนพระสูตรที่ ว, ว่ากายสัาวากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตทําไจึงพูดอย่างนี้ทําไปจตัดอย่างดีเล่นเหมือนแฉงนะ <laughs> ไม่เล่นเหมือนแขงมันก็เกิดลมไม่สะดวกไม่สะดวกอันนี้เป็น ลกมันไม่ยอมให้ใช่สะดวกแต่ใช่เพื่อเป็นเสียงพูดบางทีก็ไม่สะดวกเป็นธรรมชาติไม่ใช่กรรมเห็นกายสักตว์วากายกายมันเกิดอะไรขึ้นพูดว่าสักแต่ ว, ว่ามันเกิดจุกเกิดทุกข์กับกายมีไหมเอากายมันเป็นจุก เอากายไปเป็นทุกข์เอากายมาเป็นตัวเป็นตนคือกูเสือมันร้อนคือกูร้อนมันหนาวคือกูหนาวมันหิวคือกูมันทุขคือทุกข์กูมันทุกข์คือกูมันเก็บมันปวดคือกูมันไม่ใช่เลยเป็นจักตรว่านี่เห็นอย่างนี้ไหม มันแสดงมาเป็นจักรวากายไม่ใช่กูอะไรเป็นอาการของกายที่มันแสดงออกตามความเป็นจริงเป็นฉันญันไทยของกายของลูกไม่ใช่ตัวใช่ตนเลยจะได้ดูแลมันจะได้ช่วยมันยุงกัดมันเก็บแสดงว่าดีแล้วชอบแล้วถ้ายุงกัดไม่เก็บอันตราย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 ผ่านเลยอะไรที่มันเกิดกิดกายผ่านได้แล้วเหมือนเก่าความร้อนกวามเก่าความหนาวความเก่าความหิว ก, กาวามเก่าความเจ็บความปวดความเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่เลยทำไมจะต้องไม่ผ่านดับตาโดยทำในใจดูสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกายเมื่อไร่ทำได้รู้ได้แม้มันก็เป็นกระแสไป เรื่องไม่เท่าโท่านี้มันไปหาความแก่ความเก็บความตายได้อันกายอันลูปเนี่ยแล้วก็รู้เห็นแล้วเหมือนกับว่าต้นทางยิงในใจได้เป็นอาวุธนะคำว่าศักตะว่าเนี่ยมันปราบแล้วนะปราบค่าศึกแล้วนะกำลังพลคือศักตะว่า เธอจึกคือมันเกิดอะไรขึ้นกับกายมากยักจะหมดไปจํานวนมากๆกําลังคนน้อยๆปอบฆ่าศึกได้มากนะมันไปเองแล้วนะอนำไมจะไม่ผ่านสุขทุกข์ก็เหมือนกันจักแต่ว่าสะกําลังคนน้อยๆคือความรู้ตัวนี้หลักเดียวทรงนี้เห็นอันเดียวทรงนี้แม่นตรงนี้ ถ้าศึกมีเจ้มันมากก็ลอบเลียบไปเคยสุกเป็นสุขเคยทุกข์เป็นทุกข์เลียบลงทันทีไม่เอาสุขเอาทุกข์มันเป็นตัวเป็นต้นเห็นเป็นป น, นาการธรรมชาติของของกอดที่มันมีสัญญาเรียกว่าวิญญาณธาตุมันลูกคิดก็เหมือนกันที่มันคิดที่เป็นสุขเป็นทุกข์พวกความคิดมีปัญหาพรวกความคิด มีปัญหาเพราะความคิดเอาความคิดมาเป็นสุขเป็นทุกข์เอาความคิดมาเป็นความลักความชังเอาความคิดมาเป็นความพอใจไม่พอใจแม้ก็เห็นจากแต่ว่าอันเขา่าจากแต่ว่าจิตกําลังพลอันเดียวปอบพลาดศึกใจมากอะไรที่เกิดสุขเกิดทุกข์จากความคิด ทั้งหมดเลยปราบลงได้มีกระแสไปเลยเนะี่โอนกำลังผ้าศึกลงจะนวนมากนะตรงที่หลงไม่หลงด่านที่หลงเคยหลงเคยกักชีวิตของเราผ่านได้ผ่านได้ไดเป็นทางผ่านที่สะดวกที่สุดเหมือนกับสิทธิ1 0อยเปอร์เถูกต้องที่สุด ถ้าสัจ่รรมกายสักตธว่าเวทนาสักตธว่าคิดสักจธรรมธรรมบางทีก็มีความง่วงเมาหานอนมีความคิดฝุ่งฟาดมีความนังเลสงสัยนะครับตอกจากความคิดพุ่งไปเหมือนไก่เขี่ยกุกกุจจักุกกุจจอุทกจะท่วมทับกุกกุจจะมุ่นไหวสับสน เอาจริงยังไงไว้ได้อยู่กับความคิ ด, คดรีกว่าทมบางทีก็สงบมีปิติมีความอิจใจบางทีก็คเครียดมีความพ่งซ่าิงาวกงอะห อ, อนอ น, นี่ระวัานธรรมไม่ใช่เราเลยบางทีเราก็เสียดาย เมื่อวันนี้บันดีวันนี้ไม่ดีเอาดีเอาไม่ดีไม่ใช่ไม่เห็นปฏิปธรมต้องเห็นเห็นอาการที่บันเป็นไปต่างๆของกายของกิตเนี่ยเห็นทุกคนวงง้ว ง, ว ง, วงเหงาหอนอนก็มีทุกคนนั่นะถูกทางแล้ววนาเมลสงศ์ใสก็มีกันทุกคนถูกทางแล้ว วอมพุ่งสั่นก็มีกันทุกคนไปถูกทางแล้วไปถูกทางแล้วเมื่อเราเห็นก็นั่นแหละไปเลยแบกไปเลยพามันออกมามันไม่มือดอยู่นั่นเสมอไปมไม่ได้ง่วงอยู่นั่นเสมอไปไม่ได้ลังเลสงสัยอยู่นั่นเสมอไปมันมีอยู่ให้มีกําลังใจมีความเพียดมีศรัทธา ตรงนี้เรียกว่าไม่โทษแท้ไม่โทษถอยฝึกตนสอนตนฝึกตนสอนตนดูสิเปลี่ยนหลงเป็นลูหนึ่งยากไหมถ้ามันมีหลงนะมันหัดตรงนี้นะเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกนี่ยากไหมมันจะยากไหมทาดูสิมีไหมเวลามีสติปไปในกายมีหลงไหม ถ้ามีหลงกันงานก็หลงเปลี่ยนลองดูชฟเอามาผิดอามาถูกหรือไม่อยากให้มันหลงก็หลงเมื่ออยากให้มันคิดมันก็คิดมันก็เป็นคนผู้เป็นไปสั่งถ้าปฏิบัติถูกเห็นมันหล ง, ลงเห็นหลงไม่กระดุกกระดิกเลยพระว่าที่เห็นถ้าเป็นผู้หลงหนึ่งไปหมดตัวเลยหมดลอยพวมหลงเป็นหลงไปเลย มันนี้ถ้าเราาถูกเห็นหลงไม่ได้เป็นผู้หลงง่ายๆพิบตาดูซึ้งใจแยบคลายเห็นความหลงมีความหลงบางคนก็แยบคลายบางคนก็ไม่แยบคลายด้วยด้านยากไปเลยไม่ อ, อยากให้หลงก็หลงไปกันแล้วเป็นผู้หลง ทำไม่ได้แบบนี้เป็นทุกข์ครับปฏิปทาลำบากผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกลำบากยากรู้ทำได้ยากนี่ลักษณะเดียวกันนะหลงบางคนเห็นมันหลงยิ้มยิมบางคนเป็นผู้หลงหน้าบูดบูดเจ้าพดกับเพือดนกรี่ลุกลน เอาผิดเอาถูกกับตัวเองเอาชอบไม่ชอบก็มไม่หลงเราชอบความหลงไม่ชอบความสงบเราชอบความไม่สงบเราไม่ชอบไปกันถึงตัวแล้วไม่ใช่นักปฏิบัติไม่ถูกทางปฏิบัติตทอาง่ๆถ้าทำถูกเป็นง่ายเหมือนเราจักสาร ถ้าทำถูกลอยมันมันก็สารง่ายถ้าทำไม่ถูกก็คัดกันผิดไปตะพื้ตะือเลยอะไรก็ตามถ้าถูกมันทำง่ายถ้าผิดเราทำไปไม่ได้ต้องกลับมาแก้มาปฏิบัติธรรมมันมีคำถามมีคำตอบอยู่ในตัวเองเป็นการสัมผัสไม่ใช่มีคำถามไม่มีคำถามมีแต่คำตอบ ไม่เติมพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นลงตัวชื่อมันจะสนุกดีได้เพี่ยนหลงเห็นมันหลงเนี่ยมันลึกซึ้งดีใจไม่เคยเห็นหลงหลงในความคิดเกิดมาไม่เคยเห็นความคิดตัวเองหยุดความคิดไม่เป็นแต่นึกว่าตัวเองความคิดเนี่ยหยุดไม่เป็ียนเลย ความคิดอย่างเดียวพาให้ไปไกยเป็นสุขเป็นทุกข์ต่อนอนไม่ได้จิไม่เหลับเปิดความลักความชั่งได้ความคิดอย่างเดียวนะระาตูไม่เคยเห็นความคิดเพราะว่ามีสติเห็นมันคิดนี่ยขยันตรงนี้เนาะความคิดเป็นความหยาบคลายจับเลยหมายเล่มหนึ่งของบาปของอกุศลแต่ก่อนไม่รู้ความคิดอะ ที่ว่กิจตอนุปจนานีไม่เคยเห็นพไม่เห็นหล้วโตจำเลยหมายเลขหนึ่งเป็นทษหนักกลายเป็นจำเลยหมายเลขสองวาจาเป็นจำเลยหมายเลขสามทำกรรมได้สำเร็จทั้งสามทวารต้นตอมันคือความคิดความคิดมันเกิดจากความหลงสาวมันไปแล้วมีความรู้ก็ ควบคุมได้จึงมีสติเห็นสักแต่ว่าสักแต่ว่าตัวสถิไปอย่างนี้ไม่ใช่ไปหาคำตอบใ่ไมทำไมทำไมทไมไม่มีอย่างนั้นมีแต่เห็นไปง่ายๆจำนานทางคนํำนานทางทำอะไรก็จำนานเรื่องนั้นจานานในเรื่องนั้นมันบอก ผิดมันบอกถูกมันบอกเวลาเราปฏิบัติเช่นหลงกับเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงถ้าหลงเป็นหลงเป็นยังไงต่างกันไหมหลงเป็นหลงหลงเป็นลูกทุกเป็นทุกทุกเป็นลูกสุขเป็นสุขสุขเป็นลูกผิดเป็นผิดผิดเป็นลูก อะไรต่างๆลองดูชื้อสัมผัส ด, ดูเอะผิดเป็นผิดยังไม่ทำงานเลยปล่อยทิ้งไว้ไการบ้านไม่ทำสุขเป็นสุขทิข้งไว้ทุกเป็นทุกทิ่งไว้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปจับสมบุกุมมืรนไม่ใช่แบบนั้นนะปฏิบัติธรรมทำในใจ สร้างความเห็นให้ถูกต้องสมมติทิมีสติโกเกิดช่วยให้เกิดสมมติทิมีการกระทำหลงบไปทาไม่แยกคลายมันหลงเห็นหลงม่ได้เป็นผู้หลงโบโบตาหลงเป็นหลงเป็นผู้หลงหนักหลัก นเดินทางชาไม่เร็วเนิ่นชาหลงเป็นหลงชาเสียแล้วหลงเป็นลูกไวักว่าคนที่ชาเหมือนม้ามีฝีเท่าดีละม้าที่ไม่มีฝีเท่าต่างห่างกันถ้าหลงเป็นหลงม้าไม่มีฝีเท่า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 เริ่มโทได้ถูกทางเหยียบเส้นทางได้ก็ไปได้ไหวถ้าเหยียบเส้นทางไม่ถูกก็นอนชาหลงอยู่ไม่รู้กี่โลกไม่ได้ประโยชน์จากความหลงผิดไม่ได้คู่ว่ากี่โลกไม่ได้ประโยชน์จากความผิดถูกไม่รู้ว่ากี่โลกไม่ได้ประโยชน์จากความถูกสติมันไม่ใช่ไปเรียนรู้เหมือนกับจาเอาอย่างนั้นมันพบเห็น สติมันพบเห็นได้ประโยชน์จากความผิดมากมายได้ประโยชน์จากความสุขมากมายได้ประโยชน์จากความทุกข์มากมายผ่านมาได้ทุกขัง้งทุกข์คราวนี่คือสุขนี่คือทุกข์นี่คือพอใจนี่คือไม่พอใจไม่มีค่าสําหรับผู้มีสติผู้ไม่มีสติก็มีค่ามากถ้าผิดก็ไม่ชอบ ค่าแล้วปีค่าแล้วถ้าถูกก็ชอบปีค่าแล้วสุขก็ชอบมีค่าแล้วทุกก็ไม่ชอบมีค่าแล้วสติมันจะเป็นกลางๆนะเหนือเห็นมันผิดเห็นมันถูกเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เป็นอย่างนี้เระว่าสตินะจับตรงนี้ให้ได้ดูให้ได้มันจะง่ายๆนะถ้าจับตรงนี้ไม่ได้จะยากนะ พวกงูเหานอนก็จะกุกคลามส่วนกนได้สู้กันเหมือนกับสู้กันเอาผิดเอาถูกเอายากเอาง่ายเอาได้เอาไม่ได้ทำได้ทำไม่ได้ไปอยู่ตรง น, นั้นจะยากนะเห็นคกเคลื่อนเขาได้เห็นนีนง่ง่ายๆนะมันกลิง้งคคกลง เ, เขามีความรู้สึกตัวก็ง่ายๆ เอาเบาๆก็ได้หยาบๆก็ได้ยกมือเคลื่อนไหวก็ได้ทําในใจก็ได้บางทีเอาหนักๆบางทีเอาเบาๆบางทีตอนที่มันหนักเอาหนักก็ต้องมันมีน้ําหนักเช่นควง่วงเหมือนกับของหนักต้องโหมแรงยกยังจะขึ้น ถ้ามันอยู่ดีๆจะไปเน้นไปโหมแรงมากก็ไม่ใช่บึกปืนเงินไปก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะมันไม่เป็นอะไรอยู่ก็ยังเอาอยู่นั่นนะไม่ใช่แบบนั้นมันมีจังหวะบางทีมาถามทำจังหวะชาดีหรือไวดีบางทีฝลั่งมาถาม กากสรางจังะจะทําชาดีหรือไหวดีเดินยังกรมจะทําชาดีหรือไหวดีมันไม่มีคําตอบให้เป็นสากลแนี่แต่ตัวใครตัวมันถ้ามัง่วงก็แรงๆสักหน่อยถ้ามัง่วงต้องโหมแรงหโหมกลมลูกเข้าไปเถิมเข้าไปจะยกมือแค่นี่ไม่พอยกมือแค่นี้ให้มันสุดอันนีเวียงมา เยมเอาโนกโดแบบกูได้ของตายังเคยทำกับใบหน้าเ บ, บ, บิกเบนรับเนี่เหมือนพระผู้เจ้าอยู่เหมือนเรานั่งอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าจะมานั่งง่วงนี่มไม่ได้เราลูกพระเจ้าทําในใจห ล, หลายๆอย่างเสริมอเอาหลังเข้าไป แปเดียวตื่นขึ้นมันทีเปลี่ยนฉากได้เลยนะเวลามางว่วงมันไม่ใช่แต่ทาชาตรงนั้นไม่ได้ต้องทํำแรงๆไปกับมันมันของหนักต้องโหมแรงใส่แล้วของเบา ก, ก็หยิบนิ้วเดียวสองนิ้วก็ได้มันอยู่ดีๆนี่ไปเน่นทําไมไปเน่นทําไมไม่เป็นลื่นทําไมโหมแรงแรงก็หมดนะ รู้โบาบาไปยิ้มแย้มยิ้งใสไปทําในใจสบายสบายเห็นไปเห็นไปเวลาบันผิดจริงเห็นความผิดไม่ใช่เป็นผู้ผิดวันสุขเห็นสุขวันทุกข์เห็นทุกข์วันหลงเห็นหลงง่ายๆแบบนี้มันเหนือนะมันเหนือแบบนี้อย่แบบนี้ฉันอย่างนี้นะเห็นอย่างนี้ผิดก็เห็นถูกก็เห็น สุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นอะไรก็เห็นเนี่ยงนี้เห็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นนี้ยสุขก็เอามาทุกข์ก็หนีไปไม่ชอบเอามาหนีไปไม่ใช่แบบนั้นมันไปอย่างนี้อันเดียวกันเพราว่าที่รู้มันเดียวกันสุขก็รู้เนี่ยทุกข์ก็รู้ผิดก็รู้ถูกก็รู้อะไรก็ตาม รู้อย่างนี้ไปได้ง่ายไปตลอดฟรีเวชผ่านได้ตลอดง่ายๆถ้าทำถูกเป็นสัมมาทิฏฐิปเป็นพวงไปเลยมีสติเห็นอานนี้ก็เป็นสินเห็นไม่เป็นเป็นสินแล้วไม่เปิดเพื่อนแล้วถ้าสุขเป็นสุขไม่ไม่มีสินแล้วเปิดเพื่อนแล้วทุกเป็นทุกเปิดเพื่อนแล้ว ถ้าเห็นไม่ปเปื่อนๆก็เห็นนี่ไม่ เ, เรียกว่าประพฤติธรรมประพฤติขมไวจันไม่ปเปิดเื่อนจึงได้เห็นไม่เป็นมันง่ายๆถ้าเป็นแล้มันยากที่จะไม่เป็นจึงง่ายๆไม่มีค่าสุขไม่มีค่าทุกข์ไม่มีค่าผิดไม่มีค่าถูกไม่มีค่า ไม่ชเชฟอาไปชอบเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้นี่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา้ำนะความชั่วอยู่ตรงนี้ทำความดีอยู่ตรงนี้คิดเจ้าบทที่สุดอยู่ตรงนี้ฉินก็อยู่ตรงนี้สมาธิก็อยู่ตรงนี้ปัญญาก็อยู่ตรงนี้มรรคก็อยู่ตรงนี้ผลก็อยู่ตรงนี้เมื่อถึงรู้อะไรเกิดขึ้นรู้กลวงหลงเป็นเหตุ ควมรู้เป็นผลทันทีไม่ดีเป็นผลดีทันทีนั้นเยธรรมาเหตุปปะปะาเตจังเหตุตถาก็ตุเาะอาจฉิตัดขาถานี้แจ่ภาษารีบทฟังได้ดวงตาเห็นธรรมโอ้มันใช่พบได้ในชีวิตเราเนี่ยทำดู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 ภาษาศา ส, าสานาคิด เ, เรียกว่ายาปักยาปักอธิบายไม่ได้ความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงกิเลสตัณหาอธิบายไม่ได้ต้องไปจุ่มออกเคยไปศึกษาศาสนาเปรียบเทียบที่ฟิลิปปินส์หลายศาสนา ฟิลิปปินเป็นสูงตระงของคิตศาสนาให้รู้จักสังคมคนจนเป็นยังไงคนรวยเป็นยังไงรวมทุกความทุกขเป็นยังไงไปสัมผัสหรือว่า ย, ยาปักไปศึกษาความทุกข์ความจนของคนไปดูเฉยๆไม่ได้ไปดูไปเห็นที่อยู่ของเขาเฉยๆไม่ไปอยู่ถึงธรรมาหาชจริของเขาไม่ได้ ต้องไปสัมผัสหรือว่าหยาปักเขาให้ทำยังไงจะมักไปดูคนจนความทุกข์มันเป็นยังไงไปแล้วก็ก็ให้อยู่บ้านหลังหนึ่งเขาหนีออกไปในบ้านนั่นมีผ้าพรมเก่าๆาขาดๆเหม็นสาบ ป, ปูไว้ ในห้องหน้ามีมีถังขยะแตกๆใส่น้าไว้ไม่มากขันก็บุบๆมุ่มๆเก็บมาจากถังขยะแล้วจะนอนที่นั่นโดยต้องถ่ายที่นั่นล่านหน้าแปรงฟันที่นั่นอยู่ด้วยกันสามลูกไปด้วยกันสามลูกเพื่อเป็นเพื่อนกัน แล้วไปดูที่นอนไปดูห้องนา้าเหงื่อไหลไข่ย่อยจะทํำยังไงจะใช่ น, าน้านี่ตั้งแต่ย่ําค่ําจนถึงพวกนี้เช้าตั้งล่างหน้าตั้งแปลงพันทั้งใช่ห้องน้ำจะทำยังไงที่นอนก็ผ้าพรมโกโก้เหม็นสาบทํำยังไงไม่เียรน้อยอืม เอาผ้าอาบน้ำเนี่ยปูอ น, นอนนอนอย่างมันจงอะอย่างมันจงเลยผ้าเปืนนิดน่อยอ๋ออย่อยางมันจงเลยอยางกระดูกดกระดิกเอาฝาบาทไปเป็นหมอนแต่ก่อนจะนอนเนี่ยเงยไหลทำไงละ่ะก็ตกลงกันว่าอย่าอาบน้ำมาเนี้เร า, อ า, น, า น, นอนอย่างนี้แหละแล้วก็นอนหลงโดนอนหลง โ, ด, ด, นนโ ด, ดมัอนรู้สึกวัน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 แก้วสเตนเลสมีหูหน่ยใช่ไหม <c oughs> ขนาดนสามแก้ว <c oughs> น่าจะอาบน้ำสามแก้วลงงดูซิ <c oughs> จะได้ไหมทำ <c oughs> สมาธิดีมันต้องไ ด, ด้ <c oughs> ก็นั่งลองเดยวก่อาแก้วน้ำ ม, มาตักขึ้นมาอะไรใช่าหมแก้วเดียวลูบไปทั้งตัวเลยคนะ่อย <c oughs> ๆเทล๋ยวไหลไ ป, ไปทั่วตัวถู ตะูจะบาบางลูกรูปไปถูถูจนแห้งนะน้ำไปตรงไหนถูไปตรงนั้นแยวที่สองลูกไปตสบูยังเชื่อนอยู่ก็ถูไปเพอาจแยาวที่สามรู้สึกษอาดล้วอบเพื่อนไปขโมยเพื่อนลองดูสิยาปักสัมผัสตูวันยากขนาดไหนเคยใช้น้ำเป็นปิ๊บปิ๊บ บ, บน้ำมา อาบน้ำสารเขี้ยวใะได้ไหมยังภูมิใจเออเราอาบน้าเช่นนี้ก็ได้มานอนนี่คืออย่าปักไปจุ่มดูปฏิบัติทำเหมือนเช่นนั้นจุ่มความหลงเป็นไงจุ่มความไม่หลงเป็นไงได้คำตอบตอตไปเองความหลงถูกต้องไหมความไม่หลงถูกต้องไหมความโกรธถูกต้องไหมความไม่โกรธถูกต้องไหม ควมทุกถูกต้องไหมความไว้ทุกถูกต้องไหมไม่มีคําถามตรงนี้ก็ผ่านไปผ่านมาเห็นอะไรก็เฉลยไปสติตัวเห็นนตัวเฉลยยิ่งใหญ่มากนะใหญ่มากภาวาที่เห็นเนี่ยใช่เถอะเอาหลักไให้ได้นะปฏิบัติถางเพื่อด่วนด่วนชั่งหน่อยตัวจด่วนชัน่งหน่อยเห็นเนี่ ย, ง, ยง่ายไปก่อนจะหาเหตุทั้งผล พวกเราบรรพบุรุษมีเหตุมีผลมีการศึกษามากเอาเหตุเอาผลมาประกอบมีตามหลักวิทยาศาสตร์หาคำตอบจากวิทยาศาสตร์จากเหตุจากผลบางทีก็เหตุผ ล, รรผลนี่ไม่ใช่สัจธรรมเหตุผลนี่ฆ่ากันตายได้ไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมที่เป็นมรรคเป็นผลไม่ใช่เหตุผลแบบนั้นไม่ใช่เหตุผลแบบนั้น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 อันคิดที่ตั้งใจไม่ต้องจําเป็นต้องมาคิดกันเวลานี้มาเข้ากับมาฐานเข้ากคตรมาหาเรื่องหมาคิดอะไรหยุดไว้ก่อนเคยมีลูกเคยไปคิดถึงลูกเคยมีเมียก็อย่าไปคิดถึงเมียถึงผัวเคยมีคนลักคนชังก็อย่าไปคิดถึงคนลักคนชั่งเอาไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนนอกจะมีความลักมาด้วยก็ไม่ใช่เอามานี่ก่อน ถ้าเป็นเรื่องพระข์พระเจ้าที่ได้เกิดตอนตัดจัลุเนี่ยเคยมีลูกก็คิดถึงลูกมีเมียก็คิดถึงเมียเนานะแล้วหุน่นเกิดประสูชยไปใหม่เจ็ดวันเพิ่มพาก็ยังอ่อนล้าอยู่ยังไม่แข็งแรงไหนมาย่อมคิดก็คิดที่เอลอ้าเราจะลักแต่พวกองหุนหรือคนทั้งโลกเนะี่ยเราจะลักคนทั้งโลก เราจะรักแต่พ่อพิมพ์ผ่าหรือไม่ใช่เราจะรักคนทร้งลูกเพื่อนี้ให้มันเห็นเหนือการเกิดแก่เจ็บตายนี้ถ้าเราช่วยคนเราเนี่ไม่ได้ไม่มีโยต์ที่เราจะรังแต่พ่อเราหุน่นพิมพ์ผ่าแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาวางลงก็ร่างกําลังขึ้นมากลับมาทิ้งไว้ก่อนมาลูกมาลูกมาลูกเอาเวลาที่ กำหนดไว้มาเป็นความรู้สึกตัวเก็บเก็บให้ได้เอาส่วนใดส่วนหนึ่งของกายมาเป็นวัตถุผลพิษออกมาติดตามลองดูไม่ใช่เข่งนะไม่ใช่เพกนะการดูดูเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ใช่เหมือนกับจะไม่ใช่จ้องนะดูเนี่ยเห็นเนี่ย มันเป็นความพอดีพอดีเห็นกายจักว่ากายเห็นเวทนาจักว่าเวทนาเห็นจิตสักว่าจิตเห็นธรรมสักว่าธรรมบ้วบ้วบ้วว่าสุกเป็นทุกข์ทุกข์เป็นทุกข์หนักหนักจึงไปมาง่ายถึงจุดหมายปลายทางไม่เป็นอะไร มีจะเห็นไม่เป็นอะไรผ่านมาทุกอย่างถึงี่เกิดขึ้นกับกกับใจนี้ไม่เป็นบ ไ, ไปกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็กลับมามากระบาดตั้โต้ตไปเหมือนกับคนธรรมดาทำไงก็ไปทางนี้จะทําไงก็เป็นอย่างนี้บังคั้งไม่หลงก็ไม่ใช่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 ในว่าบ้างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตตนที่จะให้ตนเป็นสุขบปนทุกที่จะให้ตนไปเป็นสุขเป็นทุกข์มันไม่มีภาวะเช่นนั้นมีแต่เห็นอย่างนี้นะเห็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่ไปรู้โน่นรู้นี้ไม่ใช่ไปนั่งรู้เอารวม ร, ร, ร, รู้ต้องประกอบขึ้นมาส่วนใดส่วนหนึ่งรวมหลงไม่ได้ประกอบ มันเกิดขึ้นมาเองความสุขความทุกข์ก็ไม่ได้ไประกอบมันเกิดขึ้นมาเองเพราะเหตุปัจจัยความรู้สึกตัวต้องมีกรรมเป็นที่ตั้งมีฐานเป็นที่ตั้งหัดไว้ก่อนหัดเป็นเจ้าของจิตเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจดูแลกายใจให้มันคุ้มเรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่าปล่อยมัน สุขเป็นทุกข์มันกายใจนี่ให้เห็นมันแสดงออกมาท่าไหนอย่างไรให้เห็นมันดูเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกต้องทุกบังอย่างกําหนดรู้เดชะการรู้ทุกวางอย่างกําหน ด, ดรู้เดชะการมันเท่าทําให้ถูกต้องทุกหวางอย่างกําหนดรู้เดชะการละมันมีอย่างนี้ระเบียบของเขา่าระเบียบของความทุกข์ ทุกอมหลงความขุดละทันทีวัยวัยเชงหน่อยทุกพอร้อนพอหนาวต้องมันเถ้าพอหิวพอปวดต้องมันเท้าต้องกินต้องขับต้องถ่ายทุกที่กําหนดรู้ทําอะไรไม่ได้ไมีแต่รู้เฉยเฉยหายใจเข้าพริบตาเกิน้ําลายความไม่เที่ยงวมไหลของปา น, นิจังอย่างนี้ทุกอย่างนี้กําหนดรู้เอาจะไปแก้มหนน่ะไม่เอามาเป็นทุกข์ อะไรก็มาเป็นทุกข์ทั้งหมดมันไปใช้ทุกข์ที่กําหนดรูปก็กําหนดรู้เฉยๆรู้แล้วรู้แล้วเท่านั้นทุกข์ที่ต้องบรนเทาก็ไม่มีธรรมะทุกข์นั่งนานมันก็ปวดก็มื่อยก บ, บันเทาธรรมชาติธรรมดาหนีวข้าวก บ, บันเทากินข้าวถ้าร้อนก็อาบน้ําบันเทาถ้าหนาวคลมผ้าบันเทาตามธรรมชาติ ไม่ออกมาเป็นทุกข์เดี๋ยวเขากบทุกข์ให้ถูกไม่มาป่วยเปรกันเอาทุกข์ความหลงความโกรธความโลภความรักความชังความโกรความแต่งทุกแบบต้องละไว้ไวๆนี่ว่าทุกข์อริสัตยสี่ทุกข์อริสัตย์จีง่ายๆเปลี่ยนความโกรธเป็นความเมตตาเป็นของง่ายที่สุดไม่เหมือนกับไล่ยุง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 ตามก็ามเห็นนี่ถูกต้องมันน่าจะโกรธมันน่าจะทุกข์เลยเสียดายเสื้อเปียกความโกรธเสียเปรียกความทุกข์เสียหายความโกรธความโลภความหลงก็เครื่คนหนึ่งก็กระทุกกระทือบเบียมากมายเสียดายตรงนี้มากเส้อเปรียบกันจํานวนมากเสียเวลา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 เรานั่งอยู่นี่ถ้ามีสติมันก็คนเดียวกันไม่ใช่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ใช่เป็นคนเท่าคนแก่ไม่เป็นอาละวาดนักบวชเป็นอันเดียวกันหมดเลยถ้ามีสตินะอาศจรรนนเนี่ยถ้ามีความหลงก็คนเราคนกันไปแล้วแม้แต่เรากรพึงเราไม่ได้ถ้ามีความหลงมีใจก็พึงใจไม่ได้มีกายก็พึงกายไม่ได้ ถ้ามีความหลงแล้วอันตรายเป็นผงกระทบต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นไปจึงไม่น่าจะปล่อยทิ้งไว้อันความหลง เ, เอามานันซะเปลี่ยนเป็นรูซะมันแล่วไปซะให้มันเล้วไปซะช่วยกันเถอะนำ้ำผึ้เทียนสอนเราแล้วก็มาสอนคนอื่นต่อไป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 องเตอใครเป็นเคยมีทุกข์ให้ลงไปข้างล่างแลยเชีลงไปดูเจ้าคนได้ไหมถ้าใครไม่เคยมีทุกข์เลยเกิดมาเนี่ยให้ลงไปข้างล่างอาจจะไม่มีเจ้าคนนะ <laughs> <laughs> <laughs> น่าเห็นใจกันนะเนี่ยเห น, นั่งอยู่นี่นะไม่ควรจะเบียดเบียงกันเลยทุกคนก็มีทุกข์อยู่แล้วไม่ไปทีใดก็ได้ถึงเป็นรถ <laughs> มือสองถูกชนมาเห็นใจกัน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 แล้วก็มีนี่ไม่น่าจะทุกข์นะเราเนี่สงสารพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงเรามาไม่อยากให้เราเป็นทุกข์ว่าแม่เลี้ยงเรามามอยากให้เราโกรธอยากให้เราเป็นคนดีพ่อแม่เลี้ยงมานะถ้าโกรธนี่สงสารแม่บ้างไหมคิดหน้อยสองสารแม่ไหมเวลาโกรธถ้าทุกข์นี่สงสารแม่ไหมหรือว่าเป็นตัวเราเองไม่ใช่นะกระทบกระเทือนนะ ใช่ไหมเห็นลูกโกรธเป็นไงล่ะพ่อแม่ก็ทุกข์หัวเราะลูกหัวเราะของหัวเราะล่องให้ก็ลองไห้แต่ลูกลองให้ก็ลองให้ด้วยทุกหัวเราะก็หัวเราะด้วยเพระนั้นอย่าเอาเนี่ยไปทําชั่วไปจะเกิดทุกข์เกิดทูตทุกไม่ได้สงสารพ่อแม่โกรธไม่ได้สงสารพ่อแม่ถามความชั่วไม่ได้สงสารพ่อแม่ แม่มาพ่อแม่ไม่มีกันเนี่ยเขาลบมากมากเลยเขาลบพ่อแม่เนี่ยจะเป็นอันเดียวกันเลยมิตรภาพนยปฏิบัติธรรมเป็นไ ป, นปนทำนองนี่นะมันทำได้จริงๆนะให้นับหนึ่งจากเราตั้งต้นจากเราทุกคนประเทศไทยมีประชาชนหกสิบกว่าล้านคนแล้วนับหนึ่งจากทุกคนก็แพ็บเกี่ยวเป็นอันเดียวกันไปเลยนะ ปฏิบัติธรรมเป็นทํานองนี่นะมีสติก็ละความชัว่วมีสติก็ทำความดีมีสติกิตก็บริสุทธิ์ทันทีทุกคนก็มีกายมีสติมีกายมีใจดูแลรักษาให้คุ้มอย่าให้ไปเกิดปัญหาแจอตัวเองและคนอื่ น, ไ ม, น, น, นไม่ทําให้ตนเองเกิดร้อนไม่ทําให้คนอื่นดือดร้อนจชื่อื่นเดือดร้อนแล้วเราก็จะช่วยคนอื่นไม่เขาทําลายตัวเขาให้ช่วยคนอื่นไม่เขาทาลายคนอื่น เป็นอย่างนี้เลยว่าปฏิบัติธรรมกันเป็นกรอบเป็นกรรมขึ้นมาเพิ่งว่าอาศัยกันได้ออสมควรเจเวลากราบพระพร้อมกัน